ต่อไปบอกว่าคุ้นคลังของพระราชบุตรนั้นทั้งสามค น, นมีคนเดียวคุ้นคลังคนที่ดูแลทรัพย์เนี่ยนะสมุบัญชีก็คนเดียวกันนะคนที่ดูทรัพย์คนที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินทั้งขสัตต์สามองค์ในองค์เดียวกันท่านทั้งหมดนั้นมีบุรุษที่คอยรับใช้12บหนหดเป็นบริวารก็คือแสนสอง พระราชโอรสทั้งสาก็รับสั่งให้บริวารเหล่านั้นมาแล้วตรัสว่าเราทั้งสามจารับศีลสิบนุ่งหม่มผ้ากาสาวพัดอยู่ร่วมด้วยพระาศาสดาตรอด3เดือนนี้เรียกว่าขอบวชเนน3เดือนอะไรกันจะขอบวชเนรทาบุญ3เดือนเดี๋ยวลงเรือนจะบวชบํารุงต้นโพอยู่7วันในเรื่องนะเวันดูว่าไปเขียนตะกวดต้นโพหรือเปล่าไม่ทราบไปปัดกวาดเช็ดถูบริเวณต้นโพในเรื่องนะ อันนี้เขบอกว่าขอรับสินสิบนุ่งห่มผ้ากาสาวะสามเดือนเต็มเลยเพราะฉะนั้นพวกท่านจงรับค่าใช้จ่ายประมาณเท่านี้ก็คือเรียกว่าสั่งเบิกค่าใช้จ่ายก็ประมาณเฉลียล่ย ว, วันละแสนวันละแสนดูแลทำบุญแล้วกันแล้วก็ยังของเคี้ยวของบริโภคทุกอย่างให้เป็นไปให้ทั่วๆแก่ภิกษุ 90,000 รูปและนักรบของเราพันหนึงน่งก็หนึ่งื่น เอาเข้าไป9้าหนึ่งพรูปตั้งแต่บัตรนี้ไปเราจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นจะไม่พูดจะไม่แสดงจะไม่ออกความเห็นเพราะฉะนั้นดูแลไปก็ให้ขุนคลังกับสมุบัญชีดูแลเรื่องอาานะหาคนมา12บสนหูเนี่ยสิบแสนสองคนเนี่ยเป็นคนคอยดูแลทำบุญแล้วกันโอรสทั้งสามก็พาบุุษบริวาร 1,000 พัน 1, สมาทานศีลสิบนุ่งห่มผ้ากาสาวพันุ่งอานะอยู่ใน อยู่ในไหนอยู่แต่ในพระวิหารไม่ออกไปไหนขุนคลังและสมุบัญชีก็ร่วมกันเบิกสเสบียงตามวาระจากเรือนคลังทั้งหลายของพระเจ้าพี่สามพี่น้องเนี่ยก็สลับวันละ อ, องค์วัลละอ ง, อองอะนะเบิกเรียกว่าเบิกคลังของวันละ อ, องวัลละองค์อองไปดูแลอย่างเงี้ยผ่านไปทีนี้ไอ้พวกลูกของข้าพาสกรรม ก, กรก็ร้องให้ต้องการข้าวยาคูและพัด คือเวลาที่เวลาเช้าเขาจะถวายข้าวต้มก่อนตอนสายๆหน่อยก็จะถวายอาหารถวายข้าวเนี่ยนะทีนี้ไอ้เขาก็ทําอาหารอย่างดีอย่างประณี๊เพราะว่าสั่งเบิกใจคลังหลวงเนี่ยอาหารดีๆทีนี้ไอ้พวกเด็กๆเกนี่ยมันก็หิวตื่นเชาา้ามากะกระจององแงร้องกินร้องให้อยู่ใกล้ๆนั่นแหละธาตกรรมกรเหล่านั้นเนี่ยทีนี้พระพิสุสงอย่างไม่มาก็เลยเออตักให้ลูกหน่อยก็นละกัน ก็ให้วัตถุมีข้าวยาคูและพัดเป็นต้นแก่บุตรเหล่านั้นตักอาหารให้ให้ลูกกินก่อนเลยให้ลูกเล็กเด็กแดงอยากกินไดกินเลยลูกในเวลาที่ภิกษุสันชันเสร็จแล้วไม่เคยมีของอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นเหลืออาหารไว้ให้แก่พระฉันพอได้คนละอิ่มพอละต่อมาพวกกรรมการกรรมกรเหล่านั้นก็อ้างว่าเราจะให้แก่เด็กอาหารเนี่ยทาเยอะจริงอะนะ แต่ว่าเท่ากับอาหารเนี่ยจะต้องทําเลี้ยงคนอย่างน้อยเกือบสองแสนคนก็ขอภัยสองแ0 0กว่าคนเนี่ยนะวันหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งเนี่ยทีนี้ไอ้พวกทาทกรรมกรขอกินก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยถวายพระสงฆ์นะซึ่งตัวเองจริงๆก็เป็นแพทคนทํางานมารับจ้างทํางานซึ่งอันนั้นเป็นเบิกพระคลังหลวงแล้วของที่เขาทํานั้นทำํำวัตถุจริงๆแล้วมุ่งอุทิศแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์นั้นตัวพวกตัวก็อาศายัยโอกาสเอาไปรับกินซะเองหมดเลย เพราะฉะนั้นเห็นอาหารที่ตัวเองชอบใจก็ไม่สามารถจะอดกลั้นได้พวกเขามีประมาณจำนวน 84,000 คนไอ้นักกินอย่างนี้จริงๆมีประมาณ 84,000 คนจำนวนมากเลยทีกินเพราะจริงๆมันมีแค่แสนสองคนดีๆอยู่ในนั้นก็หมืน 2, 3, ม่นสอมหมื่นนะกี 80,000 กว่าคนเนี่ยเป็นนักที่เรียกว่าหยิกได้หยิกยาวอะไรนะทเรียกว่าทุจริตนั่นนะ เขาก็กินอาหารที่ถวายสงเพราะเบื้องหน้าแต่ตายกายแต่ก็เกิดในเปรตติวิสัยเจงก็บอกว่าเทียเงเขาบอกว่าตกนรกก่อนแล้วก็มาเป็นเปรตโอกาสเป็นคนสมัยนั้นเข้าไปทําบุญกันได้บุญกันไปเยอะแยะเกิดในสวรรค์กันเจ้านี้ตกนรกกัน8ปด0 0แล้วก็มาเกิดเป็นเปรตทีนี้ฝ่ายราชโอรส3พี่น้องพร้อมด้วยบุรุษบริวารพันหนึง่งทำกาละแล้วก็ไปเกิดในเทวลูกอันนะ ฝ่ายบุญก็จากเทวโลกสู่เทวโลกจากเทวโลกสู่เทวโลกผ่านไป92กับจากพระพุทธเจ้าองค์อดีตมาจวบปัจจุบันส่วนพระโอรสสามพี่น้องนั้นทั้งทั้งหมดทั้ง3ามคนก็ปรารถนาพระอรหันต์ทำกาลยาณกรรมด้วยประการชนีนะส่วนสมุบัญชีของอุรสสมองค์นั่นนะคนที่เป็นสมุบัญชีก็คือพระเจ้าพิมพิสารขุนคลังก็คือวิสาขาอุบาสกนะ ขุนังอุบาสกวิษาอุบาสกก็คือสามีของพระธรรมทินนาเทรีะนะธรรมทินนาเทรีที่เป็นเอตทัคคะด้านปฏิสัมพิาทาทีนี้พวกกรรมกรของท่านทั้งสามนั่นนะนะก็ไปเกิดแล้วในเปรตท่องเที่ยวด้วยสามารถแห่งสุขคติทุกคติในกลับนี้นะจริงๆก็จะอบายแต่ก็โดยมากก็ไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอัธยาศัยขนา ด, อ า, าดอาหารพระพุทธอาหารพระรัตนตรัยยังกินได้ อย่างอื่นก็ไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นก็จากอบายสู่อบายสักส่วนใหญ่ในที่สุดพุทธศาสนากลับนี้ในกลับนี้เกิดเป็นเปรตในเปตะโลกสี่พุทธันดอนสี่พุทธันดรคนหลายคนเขาแบบเรียนไหวาตายเกิดเขาไปดิบไปดีเจ้านี่ตกนรกนะนะแปด0 0ื 80, ่นสี่ันวะเกิดเป็นเปรตมาสี่พุทธันดรซึ่งมันนานมากเปรตเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าตะปุสันทพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งในกลับนี้นะซึ่งจะมีข้างหน้า พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากากุสันทานมีพระชนมายุได้สี่หมื่นปีเสด็จอุบัติขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าทุกองค์ในกลับนี้พวกเปรตเหล่านั้นก็ไปทูลขอว่าขอพระองค์โปรดบอกการเป็นที่ให้อาหารแก่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์เมื่อไหร่จะได้ทานนะอดอยากหิวโหยมานานแล้วพระพุทธเจ้ากากุสันทานก็ตอว่าพวกท่านยังไม่ได้อาหารในการของเรา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 ให้ไปถามคนข้างหน้าบอกอไปถามคนข้างหน้านะครับผัดกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะทีนี้เปรตเหล่านั้นก็อรอวันเวลาอดอยากหิวโหยให้ผ่านไปเท่านั้นเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคามณนะนั้นอุบัติขึ้นแล้วก็วได้ทูลถามพระองค์อีก พระองค์ก็บอกว่าพวกท่านยังไม่ได้อาหารในยุคของเรารอภายหลังแห่งเราเมื่อแผ่นดินงอกสูงได้อีกหนึ่งโยจะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะอุบัติขึ้นรอถามพระองค์ก็แล้วกันก็ดีใจนะรอพระพุทธเจ้าผ่านไปอีกนี่แผ่นดินร่วม40กิโลเมตรนะนะอดอยากนะนะเขาบอกว่า7อย่างอย่างสมมติว่าเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะเมืองเชียงใหม่เนี่ยขุดลงสมัยแรกๆเนี่ยขุดลงประมาณเกือบประมาณสักเม็ดหนึ่งนะเจ็700ปีเนี่ยเม็ดนึง ในสมัยที่ที่พุทธคยาเนี่ย 2,500 กว่าปีเนี่ยขุดลงไปเยอะเหมือนกันนะนนแผ่นดินเนี่ยมันลนักษณะมันงอกขึ้นจริงๆมันของเก่าแก่จะต้องขุดขึ้นเนี่ยนะเพราะว่าแผ่นดินมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าสูงขึ้นโน่อนอะ่ะรวม20กิโลเมตรเนะี่ยพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งอ่ะนะมันก็หิวต่อไปเถอดนะนะรอแล้วรอแล้่าถ้าใครไม่เคยหิวไม่รู้สึกหรอกว่าหิวเป็นยังไงอย่างนะตอนบวดใหม่ๆนี่ชัดเลยนะ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 แต่ก็เลยไปทูลถามพระองค์พระองค์ก็บอกว่าพวกเจ้าไม่ได้กินอาหารในการศาสนาของเรารักพายหลังแห่งเราเสิ้นไปแผ่นดินสูงขึ้นอีกร่วม20กิโลเมตรเนี่ยนะจะมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมอุบัติขึ้นในการนั้นญาติของพวกเจ้าจะเป็นพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารจักถวายทานแด่พระศาสดาจักให้ส่วนกุศ ล, ลทางแก่พวกเจ้า เจ้าจะได้อาหารในคราวนั้นอันพุทธันดรหนึ่งก็ปรากฏแก่เปรตเหล่านั้นเหมือนวันพรุ่งนี้ว่าหิวมานานเนี่ยนะแมอีกแค่เดีแปบเดียวเดี๋ยวจะได้ทานละนั่นเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์แสดงตรัสรู้ประทับอยู่ที่พารณสีจากพารณสีไปสู่ราชครืกเนี่ยนะพระองค์ก็ไปโปรดชดินสามพี่น้องก่อนนะโปรดชดินสามพี่น้องแล้วก็ในที่สุดก็ได้เข้ามาเมือง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 ลูกไม่คุยด้วยก็เลยกลับมาเลิกเลยนะฮะถ้ามียายคนหนึ่งที่ต่างจังหวัดเขาว่าอย่างนี้แหละบอกมันไม่ใช่ลูกฉันแล้ะฉันไปเยี่ยมมันมันก็ไม่คุยกับฉันของกันก็เลยกลายเป็นผู้ที่จริงๆถ้าลูกไปหาก็คืนดีอ่ะนะแต่ว่าแหมลูกก็ใจดําจังไม่ยอมคุยด้วยกับแม่แม่ก็เลยช่วยเหลือตัวเองเนี่ยนะอิ่มบ้างอดบ้างไปวันๆหนึ่งก็บอกนี่เป็นมนุษย์นะในเรื่องในมือไม่ก็ไม่ไมมกี่วันที่แล้วนี่แหละ มันเรื่องนี้ยังมีในปัจจุบันก็ยังมีแล้วอีกโลกหนึ่งจะไม่มีได้อย่างไรอีกภพภูมิหนึ่งจะไม่มีได้อย่างไรนั่นนะทีนี้ฝ่ายพระพุทธพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้า พ, พระพุทธเจ้าตรัสให้พระเจ้าพิมพ์พิสารฟังว่าเมื่อวานนี้นะพระองค์ถวายทานและพระองค์ก็ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลเพราะฉะนั้นพวกนี้เลยไม่ได้รับส่วนกุศลอย่างนั้นพระราชาก็เลยถามว่า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 จากมหาทานเหล่านี้เธอด้วยมหาทานที่ทําบุญเลี้ยงพระพิสุสงเป็นพันรูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกนี้ขอทานอันนี้จงสําเร็จแก่ญาติเธอข้าวน้ําอันเป็นทิพย์ก็เกิดแล้วแก่เปรตเหล่านั้นเช่นเช่นนั้นเทียววันรุ่งขึ้นเปรกก็เปลือยกายแสดงตนพระราชาเขบอกว่าพวกเปรตเปลือยกายแสดงตนพระเจ้าข้า บอกว่ามหาปรพิธพระองค์ไม่ได้ถวายผ้ า, ผาพระราชาก็ถวายผ้าจีวรนทั้งหลายแก่พิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ส่วนบุญว่าขอผ้าอันเป็นทิพจงสําเร็จแกเ่เปรตทั้งหลายจากจีวอนทาง น, นี้เถิดในขณะนั้นเองผ้าทิพก็เกิดขึ้นแกเ่เปรตเหล่านั้นเปรตเหล่านั้นก็ละอัตภาพของเปรตดํารงอยู่ในอัตภาพอันเป็นทิพพระาศาสดาก็อนุโมทนาด้วยติโรกุฏ กุเตสุติดทันติเป็นต้นนะติโรกุเตสุติดทันติสันติตกาสันติกก็คือพวกเปรตทั้งหลายนี่นะที่ล่วงลับไปแล้วมายืนอยู่ที่ทางสี่แยกบ้างทางเราทางสี่แพร่งบ้างสามแพร่งบ้างเพื่อรอนะหรือว่าไปสําคัญอยู่ที่เกาะตามประตูต่างๆคิดว่านี้บ้านญาติของเรานะแต่ว่าเขาก็เปรตเหล่านั้นก็อดอยากหิวโห้ย เวลาญาติได้รับประทานหรือทาบุญก็ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลเหล่านั้นเลยเพราะกรรมของตนเป็นปัจจัยเนี่ยนะก็เามีถ้าปกติแล้ววันที่อะไรนะที่เรียกว่าวันศาสตร์หรือวันที่เขาเรียกว่าวันปล่อยเปรตอะไรครับพระทั้งหลายจะชอบสวดสูตรนี้กันนะติโรกุเทสุติทันติสันติะเกตสุจานะทวารพาหาสุเป็นต้นก็ในสูตรเนี่ยที่เขากล่าวก็คือกล่าวเกี่ยวคาถาเปรดนั่นแหละ ก็เรียกว่าวันปล่อยเปรตจริงๆก็เป็นวันที่เปรตอดอยากหิวโหยโดยเฉพาะเน้นพิเศษคือเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารทีนี้อ้าวแล้วถ้าหากว่าเกิดเราอยากจะทําบุญอุทิศ ส, ส่วนบุญไปให้แก่พวกเปรตบ้างได้ไหมบอกได้เนีนะเพราะว่าประคำว่าเปรตญาตเน้นพิเศษนะไม่ใช่เปรตญาติชาตินี้ด้วยซ้ําไปอย่างพระเจ้าพิมพิสารทําบุญอุทิศให้แก่ญาติญาติเมื่อ9ก้าสกับที่แล้วพระสารีบุตรเคยทําบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลไปให้เปรต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 นะพระองบอกแหมมนเป็นไปได้ยากไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นะเพราะว่าเปรตตะโลกเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยนะก็ว่าน้อยก็สามารถที่จะอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ยากทั้งหลายที่เป็นเปรตด้วยที่กล่าวมานี้เนี่ยนะ ก, ก็อยากให้รู้ว่าในสมัยผ่านมาเนี่ยนะ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 ทำบุญฉลองอายุครบ1รอบ2รอบ3รอบ4รอบ5รอบถ้า4รอบอายุเท่าไหร่นะอันนะถ้าถ้าสรอบ48่สบแถ้าหรอบ60สิบถ้าเรอบ72องอนะก็ไล่หลายรอบไปเนี่ยนะหลายรอบปีเสร็จแล้วก็มาเข้าสู่รอบชาติ1ชาติผ่านไป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 สัพพัญยุตยานท่านท่านต้องการบรรลุสรพพัญยุตยานเหมือนคนที่เรียกว่านะมีอยู่ในชาดกในชาดกเรื่องหนึ่งเหมือนคนหาเสียงเขาว่าอย่างนั้นคือถ้าตัวเองได้ตําแหน่งแล้วก็ต้องหาเสียงต่อไปจะได้มียศมีตําแหน่งยาวๆฉันใดะนะผู้ที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ทําเช่นนั้นเนี่ยนะก็เอาใจอย่างเดียวเขาเรียกว่าบํารุงคำนุบํารุงเอาใจใส่ หน่หน่พุทธทางกูลเขาเรียกว่าหน่เพื่อที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้ารถน้ําใสปุ๋ยครวนดินจะรถด้วยเลือดด้วยเหงือ่อด้วยน้ําตารถหมดกว่าจะได้เติบโตเป็นพระพุทธเจ้าสละเลือดเพื่อสัตว์ระสาททั้งหลายสละเนื้อเพื่อสัตว์ปสาททั้งหลายสละร่างกายและชีวิตเพื่อสัตว์ทั้งหลายในที่สุดพระองค์ก็ได้เป็น พระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างสิ่งผลผลิตของการเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์ก็ทําให้มีคําสอนเหล่านี้ให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ศึกษาคําสอนวิธีปฏิบัติในการเจริญคําสอนว่าจะทํำยังไงจึงจะเป็นกายสุจเดชทำยังไงจึงจะเป็ น, ยยจงงจจปนวจีสุจริชมโนโ ส, สุจริชประพิษปฏิบัติอย่างไรจะได้ เป็นปฏิบัติอยู่ในส่วนมัชชิมาปฏิปทาปฏิบัติเช่นใดจึงเจริญงอกเงยงอกงามด้วยอริยทรัพย์ปฏิบัติเช่นใดจึงจะเจริญ ด, ด, ด้วยโพธิปักกิยธรรมปฏิบัติเช่นใดจึงจะพ้นจากอบายทุกขติวิบาตนรกปฏิบัติเช่นใดจึงจะพ้นจากวัฏฏะโดยประการทั้งปวงทังนั้นผลผลิตจากการ สร้างบารมีตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็มีคำสอนให้เราได้เรียนรู้ศึกษาปัจจุบันถ้าหากว่าไม่มีคำสอนเหล่านี้เราจะเป็นอย่างไรกันหนาถ้าไม่ได้ฟังใจของเราจะเป็นอย่างไรหนาเราก็คงทำบาปให้ตัวเองไม่ใช่เนอยแล้วใครไปร้องให้แทนเราอะ่ะใครจะไปเป็นคนอาภัพแทนเราและใครจะไปเป็นคนมีโชคมีวาสนาแทนเราเพราะว่ากรรมของผู้ใดก็เป็นของ ผู้นั้นกายกรรมสิ่งใดก็เป็นของเราวจีกรรมก็เป็นของเรามโนกรรมก็เป็นของเราแล้วเราจะเลือกสร้างบาปสร้างกรรมให้แก่ตัวเราเราเลือกที่จะสาปแช่งให้ตัวเองอย่างนั้นหรือมันก็มีส่วนที่เราควรจะมาสร้างสิ่งที่ให้พรแก่ตัวต่อไปในอนาคตสามารถที่จะทําทั้งได้ทั้งหลายอย่างเพมันถ้าเราปรารถนาจะให้พรให้เราชาติเกิดชาติตระกูลสูง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 นะมันเป็นทางผ่านเหมือนอะไรเหมือนอย่างคนที่ไปไหว้สังเวชนียสถานในการพูดคุยเรื่องอาหารเรื่องโรงแรมเรื่องที่พักเรื่องระหว่างทางอ่ะมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยแต่สิ่งที่ต้องการจริงๆคือไปไหว้พระไประลึกถึงพระพุทธเจ้าเรื่องอื่นมันเรื่องปลีกย่อยฉันใดผู้ที่เขาปรารถนาะจะบรรลุมรรคผลเกิดพบใด้ชาติได้บริบูรณ์พูนสุขแค่ไหนหรือตกต่ตาําต่ำต้อยขนาดไหนมันเป็นเรื่องของทางผ่านแต่สิ่งที่ต้องการจริงๆก็คือการ ตรัสรูมรรคผลของท่านบอกว่าไม่รอนานขนาดนั้นรอก บ, บา ง, งั้นเบื่อเต็มทีแล้วเบื่ออะไรนะคิดว่าเบื่อหรือว่าเบื่อหรือเพราะเห็นโทษเนี่ยก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่าเบื่อเพราะอะไรจักขูไม่เที่ยงนะถ้าอย่างนี้ก็ใกล้ๆถึงฝังแล้วล่ะแต่ถ้าหากว่าคิดว่าเบื่อเออมีความรู้สึกว่าเบื่อ ของไหมมันอาจจะไม่สมความปรารถนามัง้งเนี่ยนะถ้าสมความปรารถนาจะเบื่อหรือเปล่าเนาะคิดนึกอะไรก็ใดอย่างดังใจนึกเลยเนี่ยยังจะเบื่อหรื อ, รอเปล่าไม่ทราบนะคิดทุกอย่างเป็นอย่างที่ตัวเองหวังหมดเลยคิดยังไงก็เหมือนหดังใจเนเรมิดได้ทุกอย่างถ้าเราเป็นเหมือนกับอะไรนะสวรรค์ชั้นนิมมานารดีอยากได้อะไรเนเรมิดขึ้นมาเองหมดในคิดหรือว่าจะเบื่อวัตตะหรือว่ามีบุญหนักกวนะ่านั้นอีกเป็นปรนิ ม, มิตแต่ว่สวัสดีเนี่ยนะ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 ถ้าเราได้ฌานเนี่ยมีปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาตอนแรกบอกแม้พราะขาดแคลนวัตถุกันดารแห้งแรงวัตถุเหลือเกินมีทุกอย่างได้ดังใจเนื้อบอกเอาแห้งแรงทางจิตใจเอาให้ได <beam Matrix. S 2> ้ปฐมฌานทุติยะฌานปฐมฌานประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากวิเวกเอาให้ได้ปฐมฌานเนี่ยยังจะเบื่ออีกหรือเปล่าถ้าเบื่อจริงเนี่ยแน่นะบอกโอ้ยไม่ยังมีวิตกวิจารบอกเนี่ยต้องเอาให้ได้แต่ทุติยะฌานตติยะฌานบอกนี่ยังเป็นรูปเอาอรูป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 บอกไม่ได้มันต้องลำบากใจไว้ก่อนแคว่งางั้นทํำท่าเหมือนแหมสวรรค์ก็ละได้อะไรละได้หมดอ่ะเหลือไว้ขอเก็บไว้แต่ความไม่สบายใจอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคิดมากเป็นโรคคิดมากทํำท่าจะสละได้ทุกเรื่องเว้นไว้แต่อันนี้อีเรื่องที่กําลังคิดมันยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะเรื่องอื่นเล็กน้อยสวรรค์ น, นิพพานอะไรเล็กน้อยนะแต่เรื่องกําลังที่กําลังทุกข์อยู่นี่มันเรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยนะเรื่องอะไรบอกเข็มมันตกไปห ล, ล่นเล่มหนึ่งนะ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 เพราะฉะนั้นก็จะพึ่งละอะไรเลือกเขามาว่านะให้ละแต่ความไม่สบายใจทั้งๆที่รู้ว่าดีไหมบอกไม่ดีเลวใช่ไหมบอกเลวมากละมันจะเถอะไม่ได้ไม่ได้ ม, มันขอขอไม่สบายใจอีกต่อไปบอก อ, อย่าว่าสวรรค์ น, นิพพานอย่าว่าสวรรค์พรหมโลกเลยพยายามละไอความไม่สบายใจที่มันอยู่ในใจไปก่อนถ้าละความเครียดได้นะเปอร์เซ็นเชื่อนะว่าจะละอย่างอื่นๆสูงๆได้แต่แหมอกุศลยังค่อยละไม่ค่อยได้เลยเนี่ยเลือกไว้แต่ความไม่สบายใจถ้าอย่างนี้ก็ แล้วอีกนานเหมือนกันนะเอาทำ ว, วิธีแก้บอกทํำยังไงก็ให้พรตัวเองบ้างขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขสวดเมตตาสูตรใช่ไหมขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเธอเอ๊แต่ทําไมเรามันทุกข์แพ้ก็เปลี่ยนใหม่ก็แล้วกันขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเธอหัดให้พรตัวเองบัางสิแช่งสาปแช่างกันไปถึงไหนใช่ไหม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 พันก็ควรจเจริญเมตตาให้แก่ตัวเองมันจะละอะไรรูปที่น่าปรารถนาเป็นต้นก็ช่างจะละความไม่สบายใจก่อนเนีละความไม่สบายใจได้น่าจะใกล้ผลทุกได้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนแล้วกัน